ขอนอ้บน้อมต่อคุณพระตนลไตร <c oughs> ขอขอกาสเพื่อนสามัาธรรมิกุ่านญาเจิริญธรรมแชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาได้สวด บ, บทอนัตตกคะสูตรนะอันนี้ในความเห็นก็น่าจะเป็นพระสูตรที่สำคัญอันดับสองอันดับหนึ่งก็คือ ธรรมจักกัปนัสสูตรเนาะอันดับสองก็คืออ น, นัตตละนณสูตรนี่แหละเพราะนี่เป็นการรวมพุศสนาลงไป ใ, ใ น, นพระสูตรทั้งสองทั้งหมดเลยเนาะอันนี้นในขั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรมมจักรกัปนัสสูตรนั่นแหละหลังจากที่ทรงแสดงธรรมแล้วก็พระอัญญาโกฏัญญาก็ได้ลงตาเห็นธรรม <c oughs> เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งพวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ภาพปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีกสี่องค์ก็ค่อยๆนบรรลุทำตามลําดับนะแต่ว่ายังไม่มีใครบรรลุเป็นพระลรหันนะต่อมา อ, อีกไม่นานพระพิจเจณ์ก็ได้ทรงแสดงนักตรรกะสูตรที่เราสวดไปสักครู่นี่แหละเมื่อแสดงจบแล้ว พระปัญญวิธีทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระรหัตทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี้ก็จึงถือว่าเป็นประสูตรสําคัญแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นการแสดงสัจธรรมเนาะสัจธรรมที่เป็นความจริงในโลกนี้นั่นแหละถ้าเราเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วเราก็สามารถออกจากพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความยึดติดได้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเราได้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุ ถึงความที่สุดแห่งทุกขนะ์จบจบสิ้นได้เนาะมันก็มารวมกันอยู่ในตรงนี้เท่านั้นเองเพียงแต่ ว, ว่าเราสามารถเห็นได้ไหมเข้าถึงได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ความที่เราความเป็นอนัตตาได้ไหมเนะี่ยตรงนี้มันสำคัญที่สุดเนาะเข้าสู่ความเป็นอนัตตานะเพราะว่าความไม่เที่ยงก็ดีความทุกข์ก็ดีเพื่อที่จะให้เข้าสู่จุด <c oughs> <c oughs> จุดสุดท้ายนั่นเองคือให้ถึงความเป็นนักตาคือความไม่ใช่ตัวเมตตนนี่แหละนะถ้าเราตรงนี้เราเราเข้าถึงเราก็พ้นจากความทุกข์ได้นะนะมันมันที่ว่ามันเป็นศีลธรรมเพราะาอะไรเพราะว่ามันเป็นความจริงนะความจริงนี่แหละมันมันของสําคัญมากเป็นธรรมชาติเป็นความจริงซึ่งมันทุกคนมันหนีไม่พ้นใช่ไหมนะไม่ว่าใครนะเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนะหรือว่า าศาสนาใดๆก็แล้วแตนะม่มันหนีไม่พ้นตรงนี้ทั้งหมดใช่ไมเพราะว่า ม, มันจะมอีอย่างศาสนาต่างๆนะ ก, ก็จะมีความที่เรียกว่าเรานับถื อ, อความศรัทธ า, อาของพระผู้เป็นเจ้าต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันก็เป็นศรัทธานในระดับหนึ่งนะถ้าเราเชื่อฟังเชื่อถือตามที่พระบูจ้าจได้ทรงสั่งสอนไว้เราก็เป็นคนดีนะเรก็ สามารถที่จะเข้าถึงสวรรค์ได้เนาะแต่ว่าในพูทธาสนานั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเป็นศาสนาของปัญญานะคือปัญญาไม่ได้ว่าให้เราต้องศรัทธาต้องเชื่อต้องฟังต้องทําตามโดยที่อาจจะไม่ได้ไต่ตองแต่ก็เป็นปัญญาที่ว่าให้เรากลับมาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงนะต่ตองใช้ความคิดต่างๆนะในการที่กลับมารู้มาเห็น <c oughs> ในตรงนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงต่างจากศาสนาอื่นตรงนี้ว่าเราเราเดินปัญญากันนะเดินปัญญาในาแนวไหนก็คือเดินปัญญาในาแนวสัจธรรมนั่นเองนะกลับมาเห็นความจริงในความไม่เที่ยงนี่แหละอันนี้คือความจริงไหมใช่ไหมความจริงตรงนี้มันมีอยู่จริงไหมความไม่เที่ยง ม, ม, ง ม, มยีจริงไหมใช่ไหมตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่เรากลับมาเห็นในตรงนี้ได้ไหมเห็นสัจธรรมตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมแล้วมันก็มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์จริงไหมนะ ทุกยามันไม่เทียมมันเป็นทุกจริงไหมเนี่ยมันต้องกลับมาไต่ตองให้เห็นในตรงนี้นะเมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนะมันมันมันเป็นการเดินปัญญานะผู้ใดเดินปัญญาในตามนี้มันก็สามารถที่พ้นทุกได้นะเพราะนั่นจึงว่าศาสนาพุทธนี่มันไม่ได้เป็นศาสนานะจริงๆไม่ได้เป็นศาสนาแต่ว่าใหญ่กว่าศาสนาคือศาสนาเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลที่ เป็นความเชื่อของแต่ละกลุ่มมากกว่าแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงนะศาสนาพุทนี้ก็เรียกว่าเป็นศัธรรมคือแสดงความจริงนั่นเองเมื่อแสดงความจริงแล้วผู้ใดเข้าถึงความจริงได้นั่นแหละผู้นั้นก็พ้นทุกข์ผู้ใดไม่เข้าถึงความจริงมันก็ไม่พ้นทุกข์มันก็เป็นแค่ไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นในอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะมันเป็นความติดทั้งนั้นเลยนะยึดติดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนถูกต้องนะ ยึดติดในการทำบุญนะยึดติดในการที่เราจะต้องขึ้นสวรรค์นะอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันมันมีอะไรยึดติดก็แล้วแต่ในทางที่ดีนะมันก็เป็นหนทางที่มันไม่พ้นทุกข์นะมันมันยึดติดตดติดว่าเราดีเราถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่นะมันมันมันมีหนทางก็มันอยู่ที่มันมันไม่ได้ออกจากการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นเนาะมันมีความติดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี้ก็คือความจริงจุดสุดท้ายแล้วท่านก็ให้ออกจากความยึดติดนั่นเองนะมันมันต้องพน้นออกมามันต้องสังเกตให้ไหวใช่ไหมจิตเรายังติดตรงไหนติ ด, ดดีไหมนะติดความถูกต้องไหมติดสงบไหมติดความรู้สึกตัวไหมติดอะไรสักอย่างหนึ่งไหมมันมันก็ต้องสังเกตให้ออกนะ ในสุดมันก็ต้องวางหมดใช่ไหมแต่มันเป็นหนทางนะีไม่ว่ามันไม่ดีนะ ม, มันก็ต้องดําเนินไปตามลําดับทานศีลสติสมาธิปัญญา <c oughs> มันคือการเดินตามลําดับเท่านั้นเองนะมันแค่เท่านั้นเองแต่ในสุดมันก็คือต้องวางทั้งหมดนะไม่ว่าจะทานศีลสติสมาธิปัญญามันก็ต้องวางทั้งหมดมันมันยังจออกจากความยึดติดหรือความยึดมั่นถือมั่นหรือกระแสอะไรอย่างที่เราไป็นหลงอยู่ไปติดอยู่ในตรงนั้นนะ มันเป็นระดับของปัญญาที่ว่ามันไม่ได้ไปอยู่กับอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่อะไรกับอะไรนะมันมันก็ออกมาได้เนาะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันหลุดพ้นไม่ใช่ความติดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนาะมันมันเป็นมันเป็นปัญญาในระดับนี้นะนะคราวนี้น่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกับปัญญาวิกิว่ารูปเวทนา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 แล้วก็ทรงแยกแยกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น อ, อ, อนัตตายอย่างไรนะไม่ได้ทรงแสดงจบแล้วปัญญาขีก็บรรลุเป็นพระลรหันเนาะเพราะว่าถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความยึดติด <c oughs> ทางต่างๆทงัๆ้ทงในร่างกายและจิตใจคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นะคือกายและใจเนี่ยออกไปได้หมดเนาะมันก็สามารถบรรลุปเป็นพระลรหันได้เนาะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นความจริงในตรงนี้นะรูปมันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมรูปคือร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้เราเราเห็นไม่ว่าเที่ยงไม่เที่ยงนะอร่างกายนี้จริงๆมันมันเห็นได้ไม่ยากใช่ไหมร่างกายมันแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็ใช่ไหมตั้งแต่เป็นเด็กแล้วมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นถ้าใครตอนนี้อายุสักห้าหกสิบแล้วมันจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะเลยไหมสมัยก่อนกับสมัยนี้ใช่ไหมเนาะ มันก็แสดงความไม่เที่ยงมันตลอดใช่ไหมไม่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนใช่ไหมร่างกายเจ็บปวดหรือว่าไม่แข็งแรงมาสมัยก่อนใช่ไหมหรือว่าอผมหงอกตาฟางหูตึง <c oughs> นาะผิวหนังหย่อนมันก็แสดงความไม่เที่ยงทั้งนั้นเนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่มาประกอบมาตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ให้ให้ผู้ที่เข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นให้ ดูว่าเป็นดินนับลมไฟเป็นต้นใช่ไหมร่างกายเนี่ยมันก็เป็นแค่าดินนับลมไฟมาประกอบกันชั่วคราวใช่ไหมถ้าเราตายปุ๊บมันก็ดับนะร่างกายตายปุ๊บนี่ธานไฟไปก่อนเลยใช่ไหมความร้อนในตัวเราก็หมดไปดับไปแล้วใช่ไหมตัวก็เริ่มเย็นลงใช่ไหมหลังนั้นมันก็ค่อยๆสลายไปน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ํำนองก็ออกมาจากตัวใช่ไหมเนี่ยธาตน้ำเริ่มสลายไปแล้วใช่ไหม ธาตุลมก็หมดไปแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วหมดลมหายใจลมภายในภายในภายนอกข้างบนข้างล่างหมดไปก็เลยแต่ธาตุดินนะธาตุดินก็คื อ, อสิ่งที่ขั้นแข็งทั้งหลายนะกระดูกหนังเอนเอาไ ว, ว้ว่าต่างๆที่เราเห็นนะั่นแหละมันเป็นธาตุดินแต่เมื่อไม่นานมันก็แสดงให้มันเห็นนึ่งวมันกลับเป็นธาตุดินเนาะตรงนี้มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ใช่ไหมอย่างเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้ว ที่กุดอาตมาก็มันมีมันช่วงหน้าฝนนี่มันก็รู้สึกจะเป็นช่วงช่วงนี้แหละช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีมีคังคกตัวหนึ่งมันก็มาที่กุดนะมันเช้าเช้าตื่นขึ้นมาวันดูอ้าวมันมาอยู่ที่หน้ากุด้วก็คอยดูมันตามดูมันมันเ้าเศร้าๆเพราะงั้นมันก็ดูแล้วมันเหงาๆคังคกเนี่ยมันก็ไม่เคยได้เป็นไหนอยู่แถวหน้ากุดนะทำมาวันต่อมามันก็ตายนะตายอยู่ริมริมทางเดินนั่นแหละ ก็เลยไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเพราะว่าดูมันมันก็นางสาแล้วมันตายไปวันแรกมันก็จะเป็นตัวคังโคกอยู่รวันที่สองวันที่สามผ่านมาเมื่เริ่มเริ่มมันไม่เป็นตัวคังคกนะมันค่อยๆกลายเป็นดินไปอ่ะมันแตกมากเลยจากคังโคกในกลายเป็นดินนะพอสักสีห้าวันมันเริ่มกลายเป็นดินจริงๆแล้วมันมันกลายเป็นดินดินไปเลยนะไม่ไปทำอะไรมันเลยมันกลายเป็นดินไปตอนหลัมาดูมันก็กลายเป็นดินจริงๆนะคังคกเนี่ยจะ คางคโกธรรมดามันไม่ค่อยเหม็นนะแต่มันกลายเป็นดินไปได้นะมันดินดำๆนี่แหละตรีมันก็ดินเลยนะมันก็กลายเป็นดินจริงๆก็เลยเออน่ยมันเป็นมันคล้ายๆเมื่อกลุมคนมาแสดงเราเห็นนะมันก็กลายเป็นดินได้นะเมื่อสามาตายที่ใกล้ๆตรีเราทั้งๆที่ตายที่องมันก็มีตั้งเยอะๆมันก็ไม่ไปตายนะคือตอนท่านก็ชอบพูดในเรื่องพวกนี้สมัยก่อนสอาปีก่อนชอบพูดเรื่องอนัตตามากเลยนะก็มันก็แสดงเราเห็นนะมันก็เป็นดินจริงๆนะ เพราะฉะนั้นคนเรามันก็เหมือนกันนะนะมันก็กลายเป็นดินไปนะมันก็ไม่ไม่อะไรเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นเลยนะมันร่างกายมันก็มีความอนิจจังไม่เที่ยงจริงๆนะจริงๆมันก็แสดงทั้งวันอยู่แล้วนะเป็นอย่างไรร่างกายมันก็ไม่เที่ยงทั้งวันนั่นแหละใช่ไหมยืนนั่งนอนมันก็ไม่เที่ยงในระบบต่างๆใช่ไหม ปวดเมื่อย <c oughs> เดินจงกรมปวดเมื่อยก็มานั่งนั่งปวดเมื่อยก็มาเดินนะั้นมันก็แสดงความไม่เที่ยงต่างๆนะเราสังเกตตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มันจึงว่าเออเราก็อยากแยะมันไดไหมหรือแม้แต่เขาก็บางทีสมัยก่อนเขาเปรียบเทียบ ว, ว่ามันก็บรถมันก็ล้อเกวียนทอกมาถอดชิ้นนู่นชิ้นนี้ออกมานะล้ออยู่ส่วนหนึ่งนะอะแล้วก็ ตัวเกวียนอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็อะไรต่างๆแยกเป็นชิ้นๆนี่นแหละมันก็เห็นเออมันก็ไม่ใช่รถนะมันก็แยกมาเป็นส่วนๆนะมันก็เพื่อด้ได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราใช่เป็นตัวเป็นตนของเรานะมันมีจริงไหมใชม่จริงๆแล้วในคือในสายวัดกรรมฐานสายวัดปา่าต่างๆที่ภาวนาพุโทโธพอจิตท่านสงบแล้วท่านจะไม่พิจารณาในร่างกายเป็นหลักเนาะ ท่านก็กลับมาพิจาราร่างกายเรานี่แหละว่ามันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะโดยการาจเจริญอสุภะบ้างจเจริญกายยะคตาสติบ้างนะให้กลับมาเห็นในกายนะเพื่อเมื่อจิตเกิดความเข้าใจในกายเกิดความเบื่อหน่ายในกายมันก็บรรลุทำได้ที่มาเนี่ก็เลยว่าเดินเดินด้วยมันจริงๆแล้วมันก็เริ่มด้วยสมถะก่อนนะให้จิตมันสงบก่อนหลังนั้นก็ถอนถอนจิตขึ้นมาพิจารณากาย อันนี้มันเป็นสติแล้วนะมันมาสู่สติแล้วมันไม่ใช่ว่าให้จิตสงบหนึ่งเฉยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอาการที่เราเจริญสติเนี่ย ม, มันสามารถมีสมาธิอยู่ในตรงนั้นแล้วคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ใช่ไหมเราก็สามารถสังเกตวความไม่เที่ยงในตรงนี้ได้นะเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ไปพิจารณาแบบลายวัฏป่าเท่านั้นเองว่ามันมันเป็นอย่างไรนะมันเป็นความที่เรียกว่าเรากลับมาพิจารณาร่างกายให้มันชัดๆ ถ้ามาเมื่อพิจาณาร่างกายชัดๆมันก็จะเข้าใจความจริงแต่ถ้าเราพิจารณาแบบฉาบฉวยหรือว่าไม่ได้ชัดชัดเจนมันจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายอะไรเลยนะมันเหมือนกับว่าเป็นแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปะเหมือนกับคําพูดนี้นะถ้าคนที่มีพื้นฐานในตรงนี้ฟังแล้วจะเข้าใจมันจะมันจะเข้าใจมันจะเข้าสู่ใจเลยนะแต่คนไม่มีพื้นฐานฟังแล้วก็ผ่านหูไปอีกหนาทีลืมหมดเลยนะมันจะผ่านเร็วมากมันลืมมันไม่มีไม่มีการตกในใจนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันจริงว่าเออมันฟังเรามันเข้าใจไหมก็คือมันเข้าไปในใจไหมอะไรอย่างเงี้ยม่นจะฟังเราผ่านหูใช่ไหมเม่อกีมันคือถ้าไม่มีพื้นฐานมันจะผ่านหูหมดเนาะต่อมาก็คือเวทนานะเวทนาก็สุขก็เวทนาทุก็เวทนาแล้วกาทุกข์ก็มาสุขเวทนาคือเขาแยกเป็นคร่าวๆได้สามอย่างคือความสุขความทุกขแล้วก็เฉยๆนะ คือในเมื่อเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสอะไรทั้งหลายแล้แลวเนี่ยอาจจะาทั้งหมันก็เกิดอาการเวทนาขึ้นมาใช่ไหมสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยๆบ้างตรงนี้เราก็พอสังเกตได้ไหมจริงๆมันก็แสดงความไม่เที่ยงของมันอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมสุขทุกมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่มีอะไรสุขจริงๆไม่มีอะไรทุกจริงๆนะบางคนมาว่าโอ้ทุกจังเลยทุกตลอดเวลา ทุกตลอดเวลาแล้วมันจะทุกตลอดเวลาได้ไหมมันมันเป็นไม่ ไ, มได้ใช่ไหมตอนเรานอนะเราก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วก็ลืมไปใช่ไหมอพอตื่นมาก็ไปคิดอีมันก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมบางทีคือบางทีคนไม่รู้ทันนะชอบไปอยู่กับความทุกข์ใช่ไหมเนี่ยมันแสดงว่าเรานะ่ยติดในความทุกข์ไหมใช่ไหมหรือบางคนก็มีความสุขก็ติดในความสุขไหมเนี่ยมันมันก็คือต้องรู้ให้ทันในตรงนี้นะ อแล้วก็มันบางคนก็เฉยเฉยนะ่ยเราก็รู้ทันไหมมันเฉยเฉยไหมเพราะทุกอย่างมันแสดงความไม่เที่ยงทั้งนั้นนะมันไม่มีอะไรสุขทแท้จริงหรอกนะบางคนที่ออมีบา ร, รมีธรรมนะบางทีก็ไปสมัยก่อนไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรืออะไรทั้งหลายแหลนะ่เพื่อนก็มีความสุขกันมากมายนะ ม, มีหัวเราะสนุกนานมากมายแต่คนที่มีบา ร, รมีธรรมแล้วเขก็เห็นมันก็เรื่องธรรมดานะมันก็เป็นความสุขชั่วคราวมันไม่ได้เป็นความสุขเที่ยงแท้ถาวร อ, อะไรเลยไม่ใช่ว่ามันสุขเช่นี้ตลอดไป หรือต้องสุขนี้ทุกๆวันมันเห็นในตรงนี้ได้มันมันจิตมันคลายเลยนะมันความสุขมันมันของปลอมใช่หหลังนั้นเขาก็จะเลิกเที่ยวเลิกไปเหฮาสวนเสียกันมันไม่จาเป็นเพราะมันแค่ของปลอมทนั้นเองนะอันนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาในการเข้าใจความจริงใช่หหรือบางคนนี่ก็ทุกข์มากอ่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียอ่าสิ่งที่ความที่เรายึดมั่นทั้งหลายมีความทุกข์มาก แต่คนที่มีปัญญาก็เห็นมาโอ้มันก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรความทุกข์มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะเราก็บังคับก็ไม่ได้มันก็มีความทุกข์แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างไรมันก็ต้องผ่านไปไม่ใช่ว่ามันต้องทุกข์ตลอดกาลนานทุกๆุกวันมันเป็นไม่ ไ, มได้นะถ้าคนที่เขามีปัญญาเขก็เห็นว่ามันคือมันระดับปัญญาไหมกพราว่าเขากลับมาเห็นไตจธรรมในตรงนี้แล้วนะอะเห็นไตจธรรมในตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ยึดมั่นถือมันนะมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม ไม่ใช่ว่าเออดีใจมีความสุขแล้วก็ชอบใจนั่นละเป็นความยึดมั่นถือมัน่นหรือว่ามีความทุกข์แล้วก็ไปติดมันต้องทุกขนะ์ติดในความทุกข์นี่ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันใช่หไหมแต่คนมีปัญญาก็เรื่องธรรมดาน ะ, ะความทุกข์มันไปก็เป็นของชั่วคราวจริงๆถ้าใครที่สามารถมีสติได้แล้วก็เห็นว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายมันเป็นความคิดเราทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์หรอกกลับมารู้สึกตัวก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมนะ่ะรู้สึกตัวมันก็ มันก็จางคลายใช่ไหมแต่คนไม่รู้มันก็จมอยู่ภายในใช่ไหมจมอยู่ภายในกับความคิดนั่นแหละอ่ามันก็เลยทุกข์จังเลยทุกข์จังเลยออกจากความทุกข์ไม่ได้เนาะอันนี้เรียกว่ายังยังไม่เข้าถึงปัญญาเนาะเพราะคนที่มีสติจริงๆแล้วมันก็อยู่กับปัจจุบันธรรมมันความทุกข์มันเป็นเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของใจทั้งนั้นเลยนะอ่าแต่ในเมื่อใจแม่งเราแล้วมันจะมีอะไรไปทุกข์นะมันมันเป็นเรื่องที่ว่ามัน เกี่ยวยองทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาแล้วมันมันเป็นการโยงได้ตลอดสายนะมันจะโยงกลับมาสู่ความทุกข์ก็ได้สู่ความสุขได้เพราะมันมีปัญญามันจะโยงกลับมาได้หมดเลยเอ๊ะทำไมเราทุกข์นะเนี่ยเรามันโง่จริงๆตัวเราไม่มีแล้วมันอะไรมันจะทุกข์ล่ะใช่ไหมมันไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไปเกี่ยวข้องมันคือความทุกข์มีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้ทุกข์ใช่ไหมนะ สุกก็ไม่อยู่จริงแต่ก็ไม่มีผู้สุขนะมนันเป็นเรื่องของเขาเองนะไม่ของเราใช่ไหมเป็นเรื่องของกายและใจใช่ไหมสัญญานะความจําได้ไหมรู้มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมบางทีเรารู้จักกับเพื่อนต้องนานแล้วอ่ะสนิทก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นหน้าครั้งยังจําชื่อไม่ได้มนะันชื่ออะไร <laughs> ทักชื่อไม่ออกนั่งได้ที่รู้จักกันมันก็รู้จักชื่ออยู่แล้วมันยังทักชื่อไม่ออกเลยใช่ไหมเนะี่ยมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะ ไม่เที่ยงหรอกเอ็ความจำเนี่ยใช่ไหมถ้าเที่ยงป่านนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราจะคิดทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมเรื่องอดีตต่างๆเยอะแยะนะแต่ตรงนี้มันโชคดีว่ามันไม่เที่ยงเพราะนะั้นเรื่องที่มีความทุกข์ทั้งหลายแหละหรือเรื่องที่ทําเร า, เามีความโกรธความแค้มันลืมไปหมดแล้วใช่ไหมมันมันลืมไปหมดแล้วแต่คนที่มันไม่รู้มันก็ไปพยาบามตรอาฆาตบางที่นานๆแล้วมันก็ยังไปพยายามบัตรอาฆาตอยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นความโง่ส่วนตัวใช่ไหม สมัยก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะสมัยก็นานมาแล้วแหะมีมันก็มีความไม่พอใจอยู่นิดหน่อยอะไรยังไม่ลืมเลยนะแปลกมากเรื่องเล็กๆน้อยๆเขไปบินบาตแถวแถวแถวบ้านเขาก็เอามาใส่บาตพอเจออาทักเขาเป็นไงสบายดยีแล้วก็ทําให้มองไม่เห็น <c oughs> เนี่ยดูเลยว่ายังอาคาดพยาบาทอยู่ทั้งนั้นผ่านไปต้องเป็น10บสปีแล้วนะคือพวกนี้ประเภทปล่อยวางในเป็นมันก็มีความทุกข์เข้ามา แต่เราปล่อยวางเป็นไม่เป็นไรใครมาด่าเราใครมานินทาเราใครมาว่าเราเนี่ยมันตรงนี้นะเป็นเรื่องของเขาไม่เรื่องเรานะอยู่ที่เราปล่อยวางได้หรือเปล่าใช่ไหมเราไปบังคับใครไม่ได้นะต้องมาทำดีกับเราไม่มาทำชั่วเราบังคับไม่ได้หรอกแต่อยู่ที่เรายึดมั่นไหมเราปล่อยได้ไหมอันนี้มันสำคัญกว่าใช่มมันเป็นกระบวนการของปัญญาใช่ไหมคือเมื่อ เราเห็นแล้วว่ามันตรงนี้มันปุ๊บมันจะปล่อยได้เร็วนะคือมันเข้าสู่ระดับปัญญามันจะปล่อยได้ว่ามันไม่มันเป็นการวางไม่ได้เป็นการติดเนาะต่อไปก็สังขารนะก็คือความคิดทั้งหลายแหล่นี่แหละเมื่อมีความคิดก็เลยไปปรุงแต่งใช่ไหมมันก็จริงๆมันก็มาจากอายรนะณนี่แหละมันจะมีความคิดแล้วก็ไปปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นความรักความชังมันไปกระบวนการทํางานของรูปนามหรือกายใจทั้งนั้นเลยนะมันก็คิดได้นะคนเรามันต้องคิดได้อยู่แล้วใช่ไหม แต่เห็นไหมว่าความคิดมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมความคิดก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแม้แต่เราเห็นใครสักคนหนึ่งเราอาจจะชอบเราอาจจะรักเขานะแต่ในไม่นานก็ความคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแลงนะ้วมันก็ความรักก็อาจจะเป็นความไม่ชอบเป็นความเกลียดก็ได้ใช่ไหมในมันก็แสดงอยู่แล้วนะมันไม่เที่ยงใช่ไหมวิญญาณรูปเว้ไอ้วิญ ญ, ญาณตาหูจมลิ้นกายใจมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยวิญญาณนะธาตุรู้นะะ ธาตุรู้เป็นยังไงนะตรงเนี้ยมันสําคัญแล้วก็สร้างธาตุรู้ขึ้นมาใช่ไหมอ่าคือวิญญาณทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็มาสรุปได้ตรงธาตุรู้นี่แหละเรารู้ไหมรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราไหมในกายเราไหมเมื่อเรารู้แล้วนะตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์มากเลยนะบางอย่างไม่เที่ยงก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ก็พอแล้วนะไม่เที่ยงก็ไม่เป็นไรเนี่ยสำคัญกว่าใช่ไมไม่ได่ต้องรู้ตลอดเวลาหรือว่ามันต้องไม่รู้ตลอดเวลานะเมื่อรู้แล้วมันก็คือมันก็เข้าใจและอ่มันก็ ไม่เป็นอะไรกับไรใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มันรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แสดงไม่เที่ยงเราเห็นนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็จะเป็นความทุกข์เป็นธรรมดาใช่ไหมมันตั้งในภาวเดิมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อไม่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วเราเราจะทนในภาวะเดิมได้ไหมมันก็ทนไม่ได้ใช่ไหมการที่มันทนไม่ได้นั่นแหละก็คือมันเป็นความทุกข์นั่นเองใช่ไหม เรานั่งนานๆปวดเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเหยียบบดใช่ไหมต่างๆแล้วเนี่ยมันก็คือความทุกข์ใช่ไหมหรือแม่เรากินข้าวอย่างอิ่มมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นความหิวนี่แหละคือมันทนในภาวะได้ไม่ได้มันก็หิวใหม่ใช่ไหมทั้งหลายแหล่นี่ยมันเป็นวงจรทั้งหมดเลยไม่เที่ยงแล้วมันต้องเป็นทุกข์แน่นอนใช่ไหมเนาะเพราะนี้มันเป็นลำดับของไตรธรรมเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันจึงเป็นอัตตาที่มัน ไปนัตตาเพราะว่าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างได้มันก็ต้องบอกว่าเออมันต้องเที่ยงนะเราบังคับมันเที่ยงได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อบังคับบัญชาได้แล้วก็เมื่อ ม, มันมันไม่เที่ยงนะเราทําให้มันไม่ทุกได้ไหมก็ไม่ไม่ได้อีกใช่ไหมเมื่อมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกแน่นอนนะ่ย <c oughs> มันเป็นภเพรารที่เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมตรงนี้บางทีก็เคยพูดบ่อยๆนะการมาทํา มันไม่ได้ไปเอาอะไรกับมันเลยนะไม่ได้ไปต้องไปเอาอะไรมันเพราะการเอาทุกอย่างมันจริงๆมันมันเป็นต้นฐาทั้งหมดแล้วก็เราหวังหวังในการที่เราจะบรรลุธรรมเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวเราบรรลุธรรมแต่จริงๆการที่เราไปวัรรมเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้นั่นเองนะตรงนี้มันสําคัญมากใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้แล้วจิตก็สามารถสรุปได้เองว่ามันไม่ใช่เราไม่ตัวไม่ตนของเราได้โดยตัวมันเอง แต่เมื่อเราบังคับบัญชาสิ่งต่างได้ให้เป็นตามที่เราต้องการแล้วมันจิตมันจะไม่เกิดการถอดถอนเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะรู้ว่าเราบังคับสิ่งต่างได้มันความเป็นตัวตนมันก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะหรือบางทีมันจะมากขึ้นด้วยเพราะมันมันคิดว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษเนะมันมันเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับการที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะ คือเราจะคิดว่ามันมันเป็นอนัตตาไม่ตัวไม่ตนเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเราเห็นว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้ตัวนี้มันจะง่ายกว่าใช่ไหมเราก็ดูไปนะเราบังคับบัญชาได้ไหมใช่ไหมมันไม่ไม่ได้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมอยากให้ไปบัติธรรมให้ดีทุกวันก็ไม่ได้ใช่ไหมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ไหมหรือแม้แต่ความคิดนะเราเห็นในง่ายว่าเดี๋ยวก็คิดแวบไปแล้วคิดแวบไปแล้วเนี่ยคือการเจริญติมันดีตรงนี้นะเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นความคิด แต่ในที่สุดเราก็มีสติเราเห็นความจริงกราแวบไปแวบไปก็เห็นเนี่ยมันใจมันทํางานเองเราบังคับก็ไม่ได้เลยเพราั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าใจมันทํางานเราเราเราไปบังคับให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ไม่ได้หรือว่าไม่คิดก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่ามันมันเป็นภาวะหนึ่งที่เราบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อารมณ์ต่างๆเราก็บังคับก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ยินร้ายใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าจิตใจมันทํางานมันเองนะ เมื่อเรามาเห็นตรง น, นี้บ่อยก็เลยเข้าใจอ้สิ่งต่างเราบังคับไม่ได้เลยนะร่างกายบังคับไม่ได้จิตใจบังคับไม่ได้เมื่อเราเห็นตรง น, นี้มันก็เลยเกิดการที่เรียกว่าเกิดการเข้าใจ <c oughs> เกิดการเข้าใจนะเมื่อมันเข้าใจมันก็เลยเกิดการปล่อยการวางใช่ไหมแต่มันไม่เข้าใจเราไปตั้งใจปล่อยวางไม่ได้เนาะก็เคยมีคนมาถามว่าจะปล่อยวางยังไง <c oughs> บอกว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้หรอก เพราะการที่เราปล่อยวางมันเป็นแค่ความคิดเราเท่านั้นเองมันจริงๆมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันยังปล่อยไม่ได้แต่มันต้องเกิดความเข้าใจให้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะปล่อยวางได้นะมันก็เราเห็นเด็กๆนี่นะมาสมัยก่อนเราจะไปบังคับเด็กให้มันดีให้เขาเรียบร้อยให้เขาไม่ดื้อไม่ซนนะให้เขาเชื่อฟังเราแล้วจริงๆมันก็ทําไม่ได้นะเด็กก็เป็นแบบนั้นเขาเองเขาก็ดื้อเขซนเขาก็ไม่เชื่อฟังเราเขาก็ร้องไห้เป็นอย่างนั้นเอง แต่เมื่อก่อนเราจะไปบังคับเด็กเห็นไหมแต่เมื่อเรา อ, อยู่กับเด็กไปนานๆเราจะเริ่มเข้าใจเด็กมันเป็นที่นี่มันเองนะเพราะเราไม่ไต้ไปยุ่งอะไรเขาหรอกแล้ดูเด็กดูเด็กก็พอแล้วนะมันตรงนี้มั น, มนเกิดตรงนี้แหละเมื่อเราดูมัน ด, ดูเด็กเฉยๆนี่แหละคือการปล่อยกันวางแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเพราะฉะนั้นเมื่อใจเราเราเข้าใจจิตใจเราแล้วมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเข้าใจถึงระดับหนึ่งแล้วคือมันต้องเกิดความเข้าใจก่อนนะ เมื่อเข้าใจแล้วรู้เราทําอะไรเขาก็ไม่ได้แล้วก็มีหน้าที่รู้หน้าที่ดูเขาไปเฉยๆเท่านั้นเองดูก็ทํางานดูเขาแสดงเสี่งต่างให้เราเห็นเท่านั้นเองนะเขาจะแสดงพระไตรักเราเห็นอันนี้จังลุกขลังตาความไม่เที่ยงเป็นทุนเป็นนตาเนี่ยเราจะได้เห็นในตรงนี้ได้ชัดเจนมาเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาแล้วแต่มื่ก่อต้องทำเขาดีนะต้องให้เันดีนะต้องให้เขาเป็นไปตามต้องการนี่เราไม่เห็นแต่เมื่อเราดูเฉยๆเขาแสดงให้เราเห็นเราบังคับก็ไม่ได้ เขาแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้เห็นชัดเจนเลยนะมันเกิดจะกควาเข้าใจเพราะเราเห็นแล้วเราจะเข้าใจเองแล้วก็มันก็เกิดการปล่อยการวางการมีติการคลายออกในตรงนี้นะ ม, นมันตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเห็นต้องต้องรู้ต้องเห็นเนาะการรู้การเห็นนะั่นคือมาเจริตินี่แหละกลับมารู้ตัวรู้สึกตัวแล้วมันก็เห็นเออกายและใจมันทํางานมันเองนะอาบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมเจรติมันก็เห็นความคิดมันก็ทํางานเอง ความรู้สึกก็ทํางานเองนะเราเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เท่านั้นเองมันแยกไปเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันเมื่อก่อนเป็นผู้เป็นนะแต่เมื่อเราเจอสติได้เราก็จะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเขาดูการไหลใจทํางานตามความเป็นจริงแล้วใจก็จะค่อยๆเข้าใจเมื่อเข้าใจก็เกิดการปล่อยการวางการไม่มยึดติดอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกเนาะเพราะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยขอรัตนาบารมีคุณพระไตร น้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่านทุกท่านเทิญ